พระธรรมเทศนาแผ่นที่52บลำดับที่ย0สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13ากันยายน2555หห้ามีเชื่อเรื่องว่าความอิจฉาพาให้ตกต่ำวันนี้พระ งดฉันสิบสองรูปพระสี่สิบสองงดฉันสิบสองวันเนี่วันนี้หลวงพ่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคงจะไปวัดเขาคออำเภอจังหวัดเพชรชบูรณ์งานวันเกิดของหลวงพ่อจิรวัตรที่เป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อท่านนิ ม, มนต์แล้วนิ ม, มนต์อีกคงได้ไปฉันจังหารเสร็จแล้วคงไม่มีอะไรไปพักคืนนึง กวันพรุ่งนี้คงจะกลับนี่แหละภารกิจธุรกิจของหลวงพ่อมีแต่ละวันก็ไปไปเมื่อวานเขาไปนู่นไปงานศพของโยมอ่อนพัญญาของตูเจือตูเจือเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของครูบาอาจารย์บ้านผือ ทุกจิตดังเดิมเก่าแก่ตั้งแต่หลวงปู่จันสมหลวงปู่เพียนหลวงปู่เพ่งหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่มหาบุญเมย์ก็รู้จักหมดอายุก็อบแปดสิบกว่าอุปธรรมปฐากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มานมนา น, า, า, านก็จากไปครูบาอาจารย์ก็จากไปร่องรวยไปเรื่อยๆตามอายุสังขาร แต่บางครั้งก็ในพระพุทธศาสานาของเราก็กระเทือนเหมือนกันนะมันบามันก่อนหลวงพ่อก็ทราบข่าวว่าเจ้าคณะจังหวัดสกล น, นครทางฝ่ายมหานิกายอายุก็เจ็ดสิบกว่าแก่กว่าหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสราตรองเจ้าคณะจังหวัดอีกถูกคนฆ่าตายฟังๆดูแล้วโอ้หน่าคิดเหมือนกัน ขนาดเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอายุพันสามากขนาดนั้นก็ยังถูกการฆ่าเพราะฉะนั้นเรื่องความตายไม่ได้อยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งพร้อมที่จะประสบพบเห็นได้ทุกคนขนาดเป็นพระสงฆ์แท้ๆก็ยังถูกแต่ทั้งนี้ทางนั้นถ้าเรานึกถาม ย้อนดูคนทำคุณงามความดีนี่ยังมีผู้อิจฉาอยู่เหรอยังมีผู้บังเบียดอยู่เหรอยังมีผู้อิจฉาอยู่เหรอขนาดสร้างคุณงามความดีผมก็เหมือนกันทำคุณงามความดีมาตลอดแต่ทำไมมีคนอิจฉาเป็นคนบังเบียดผมสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกัน เราคิดนึกย้อนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมครูขนาดนั้นขนาดได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำคุณให้เก็บโลกอย่างมากแต่ขนาดนั้นก็ยังมีผู้อิจฉาจะฆ่าพระพุทธเจ้าในประวัติก็มีถ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพุทธานุภาพคงจะรอดยากเหมือนกันนะหลวงพ่อวานะ ทำไมที่เห็นในพุทธประวัติที่เสียวที่สุดก็คือพระเทวทัตเอานายมังคำ ม, มังธนูไปยิงพระพุทธเจ้านะจุดนี้นะ ต, ตอนที่ว่าปล่อยช้างนาลากิริงอันนั้นก็ไม่หวาดเสียวเท่าไหร่ถึงจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็ไม่หวาดเสียวเพราะอะไรพราะปล่อยช้างมาใครวิ่งไปที่ไหนก็วิ่งได้นะแต่ไมพระพุทธเจ้าจึงหลีกช้างไม่ได้ หลบไปที่ไหนก็ได้ผมช้างเนะก็รู้แล้วช้างมันจะมานะ่ยพระเทวทัตขึ้นไปบนยอดเขาไปบนดูที่สูงเกลี้ยงห็นลงมาก็รู้อยู่แล้วแต่ก้อนหินก่อนที่จะเกล้ยงลงมามันก็ต้องดังกรุกลักครุกลักเช่นกันหลบไปที่ไหนก็ได้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่ะเทวทัตเนี่ยงโง่มีแต่ความอิจฉ้าอย่างเดียวเหมือนกันแต่จุดเที่น่ากลัวที่สุดก็คือ สมคบกับพระเจ้าอาชาติตรูเนี่ยเอานายนายมังคณูแม่นธ น, น, น, น, นูแม่ น, นก็ว่าแม่นใครก็ว่าเป็นหนึ่งในกรุงราชคือก็ว่าเป็นพลแม่นอแต่ก็ว่านั่นแนหะจะว่าจ้างนั่นจะเป็นอะไรผมเป็นของทาหารอยู่แล้วเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าอาชาติตรูอยู่แล้วนก็ให้ไปวางแผนกันน่ พระพุทธองค์อยู่ที่ไหนเวลาไหนประมาณชั่วโมสามตีสี่พระพุทธองค์ก็ลงมาเปลี่ยนอริยบทลงมาเดินแล้ก็นายขมังธนูคนนี้ก็ไปก็เอาไปยิงช่วงนั้นนะอออคนที่ใกล้กันนั่นแหละคนที่จะฆ่ากันไม่ใช่คนไกลนะคนที่ใกล้กันจะฆ่ากันอนายขมังธ น, น, นูก็ไปก็โอ้ใช่พระพุทธเจ้ากําลังเดิน เปลี่ยนอริยบทเดินจงกรมอยู่ชงเดินยงกรมอยู่นายขมังธนูนกดเน้าวธนูขึ้นมาอาบด้วยยาพิษลูกธนูนอาบด้วยยาพิษอีกต่างหากนะแปลว่าปล่อยใส่ใครเนี่ก็แปลว่าไม่รอดเน้าวเขาจะยิงพระพุทธเจ้าแต่นุพุทธานุภาพคำนี้แหละคว่าพุทธานุภาพพอจะเน้าขึ้นไปจะยิงพระพุทธเจ้าปล่อยลูกธนูไม่ไป ปล่อยลูกธนูไม่ไปค้างอยู่เติ่งอยูน่นั่ะพุทองค์ก็เดินยอยู่กลมช้อยเพราไม่ให้มันปล่อยลูกธนูออกมาด้วยอิทธิฤทธิ์จนสายสายขึ้นมาพระพระองค์ก็ถามว่าอา้าวทาเธอทําอะไรกำบางธนูเมื่อคืนนั่นจนจนน้ำลายไหลแล้วมั้นะมันยกธนูขึ้นไปแล้วมันเหนื่อยอกังจังอยู่อย่างนั้น่ะ คือมลถก็รถไม่ได้ยิงก็ยิงไม่ได้ฮะด้วยอนุภาพอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระทัยโชเขาก็ยอมมาพูดองค์กดพูดให้ฟังเทศให้ฟังพอเทศให้ฟังจบแล้วเขายอมรับได้สําเร็จพระโสดาบันไอกลุ่มที่สองออกมาอีกทีนึงกลุ่มที่สองใครครับคําว่าวฆ่าตัดตอนเนี่ยมันมีแต่สมัยยุคสมัยนั้นเหมือนกันนะคําว่าฆ่าตัดตอนเนี่ยคําว่าพอยิงพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว ก็เดินออกไปเดินออกไปให้เดินไปทางนี้นะบอกนายังวังธนูคนนั้นนะถึงเมื่อเธอยิงพระพุทธเจ้าแล้วเธอเดินออกมาทางนี้นะใครว่าไปบางแผนกันแล้วจากนั้นก็นายคำวังทธนูนที่สองก็ไปดักอยู่แล้วก็บอกนายคำวังทธนูนที่สองว่าท่านเธอยิงแล้วเดินออกมาทางนี้นะแล้วก็ปล่อยให้นายคำังทธนูนสี่คนคอยเมื่อจริงสองคนตายแล้ว ออกมาทางนี้นะแปดคนพอแปดคนถึงสิบหกคนอ่ะเขาวางวางงวดสุดท้ายในสิบหกคนไอ้ค่าว่าเมื่อยิงพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาสองคนก็ยิงฆ่าคนนั้นคือว่าตัดตอนใครเป็นคนสั่งไม่รู้พอสองคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้ยิงเพราะอะไรพอจากนั้นก็ สี่คนอีกยิงอีกสองคนอีกเดินมาทางนั้นอีก<ช> ส, สี่คนก็8แปดคนก็ยิงอีกตายอีกแปดคนออกมาสิบหกคนยิงอีกพอถึงยุคสิบหกนั่นก็หมดเลยไีให้ทราบว่าใครยิงใครไม่รู้ล่ะมันตายหมดละมันตัดตอนหมดนะพวกนี้ก็ได้รับคำสั่งแต่ว่าให้ยิงท่านเองแต่ว่าท้าว่าก็เป็นตารวจสืบอปรงคงจะไม่เหลือวิสัยอย่างที่ว่าน ใ, ใครเป็นคนสั่ง อันทั้งสิบหกคนก็คงจะมีเรื่องหาเรื่องใส่ได้ตอนนี้ก็คนที่หนึ่งยิงไม่ไปพระบุตรองเทศให้ฟังได้สําเร็จพระสูดาบันคนที่สองก็คอยอีก<ม>เกินกําหนดคล้ายๆแบบประมาณสักเจ็ดโมงนะแปดโมงก็ยังไม่มานะี่ยพอได้ก็เข้าไปไปไปเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังอีกบวชอีกได้สําเร็จพระสูดาบันอีกในขมังถนนเหล่านั้น จนถึงชุดที่สิบหก็บวชทั้งหมดแปลว่าแผนของพระเทวทัตกับพระเจ้าอาซาสศัตรูเนี่ยแปลว่าล้มเหลวเพราะว่าท่านเหล่านั้นบวชหมดบวชในพระพุทธศาสนาหมดต่อมาก็ว่างแผนใหม่อีกนี่แหละถ้าจะว่าไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐขนาดไหนก็ยังมีผู้อิจฉาจึงมีผู้อยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราท่านทาั้งหลาย ถึงจะทำยังไงถึงพวกเราจะสร้างสมคุณงามความดีอย่างไรที่จะไม่ให้คนอิจฉาแนละ้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะอิจฉามอยู่ในตัวของเขาไม่ใช่ตัวของของเราแต่ถึงไงเราก็ต้องทำดีไปเรื่อยๆหลวงพ่อว่าเนี่ยคนที่ไม่คิดถึงความตายของตนเองนะคิดอิจฉาคนอื่นอยากจะฆ่าคนอื่นถ้าคนคิดระลึกถึงความตายอยู่เสม อ, เ, อ, อเราชีวิตของเราเนี่ยจะทำยังไงให้มันมีคุณค่ามากที่สุด ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่มีคุณค่าเราก็ควรจะทำให้มันเกิดคุณค่าอย่างนั้นให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์กับตนเองที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ตนเองเกิดมาควรจะเกื้อกูลหนุนควรจะทาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดถ้าคนคิดว่าถึงตัวเองจะ ต, ตาย ท่างตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะตายธนัะมันยากที่ไหนออคทํามันฟุ้มเ ฟ, ฟ้อเหอเหิมมันคล้ายๆกับว่า อ, อลาบยาศชนะเสริมทั้งหลายทั้งมวลอยากจะเอาขนเข้ามาหาตัวเองทั้งหมดพราะคิดว่าตัวเองจะไม่ตายอันนั้นว่ตั้งอยู่ในความประมาทถ้าบาคนไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วต้องำรำลึกควรจะเก็บหอมรอมริบอย่างไดชีวิตของเราไม่ใช่ว่าจะอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีเมื่อไหร เดี๋ยวนี้ของเราอายุของเราเท่าไหร่เมื่ อ, อไร่ก็ไม่มีใครประกันด้วยว่าเมื่ออายุ60สิปีซะก่อนนะคุณยังตายไม่ใช่ไม่มีใครรับประกันยี่สิบสามสิบปีนั่งรถปีดีๆตายก็มีมีมากต่อมากเพราะฉนั้นสิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีเราควรจะทําสิ่งนั้นนี่แหละหลักทำคําสอนของพระพทุทธเจ้าแต่ว่าจะตั้งอยู่ในความประมาทถ้าว่าผู้ แตายคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่เกิดอีกนั่นแหละทะีมันทําความชั่วได้ทุกอย่างแต่ตาม่จริงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนาตายแล้วไม่ศูนย์นะออท่านรับประพองในพระไตรปิฎกมากต่อมากถ้าพวกเราได้ศึกษาอย่างพวกเมื่อวานในหลวงพ่อพูดให้แก่พวกเราได้ฟังว่ากาตายแล้วเป็นเปรตแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดให้ฟังอีกมนุษย์ของเราเนี่ยทำบาป เป็นบาปไหมบาปอย่างมหันมหันเหมือนกันคือในครั้งก่อนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคือพระโมกขลากับพระลักษณะเหมือนกันนี่ท่านคงจะสัปายะในอยู่ในที่เนินที่สูงท่านก็ไปพักไปพักภาวนาหรือไปพักเปลี่ยนอริยบทอยู่ในตีนเขาคิตสกูลที่สัปายะพอตอนเช้าท่านก็ลงมาบินทบาท สงองค์ท่านคงจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะ่ะเดินลงมาก็มาเห็นเปรตอีกพระโมกคลาเห็นเปรตในกินเข่ากิจ ก, กูดมีมากนะในพระไตรปิฎกในธรรมปฏทัศน์ฐานะที่ท่านลงมาเห็นเปรตท่านก็โอ้เปรตตัวนี้มันเปรตงูอีกเหมือนกันเอ แ, แต่ไฟไหม้ลุกลามไปทั่วตัวทันทีท่านก็ยิ้มอีกเหมือนกันพอยิ้มเสร็จแล้วท่านพระทักษณะก็ถามพระโมกคลาเขาว่า เมื่อไปจู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าหรือต่อพระพักดพระพุทธเจ้าคนค่อยถามผมนะในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ท่านฟังทีนี้พระโมกขะลากับพระลักษณะก็ไปบินธบาติฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วตามปกติก็คงจะตอนฉันจังหันเสร็จก็คงมีพระสงฆ์เข้ามาศึกษาธรรมะหรือ ว, ว่าถามปัญหาพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นพระองค์คงจะเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ถามปัญหา พรการพอนาในการคืนคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงพระองค์จะได้เทศให้ฟังจากนั้นพระสงฆ์ท่านก็เข้าไปเ อ, อล้อมพระพุทธองค์ตอนนี้ลักษณะก็ถามพระโมกคลาที่เป็นอาจารย์ของท่านท่านอาจารย์โมกคลาครับที่ท่านลงมาจากตีนเขาคิจกูดนั้นท่านเห็นอะไรทําไมท่านจึงยิ้มท่านยิ้มด้วยเหตุอันใดครับครับผมแล้วก็ผมถามในช่วงนั้นท่านก็บอกว่าให้มาถึง สำนักพระพุทธเจ้าเจ้าก่อนอยู่ต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าเจ้าก่อนค่อยถามแต่บัดนี้อยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์แล้วผมขอถามท่านท่านเห็นอะไรพระโมกคลาบอกว่าผมเห็นเปตไฟลุกไหม้ท่วมตัวอยู่ในตีนเขาคิจกูดพระพุทธองค์บอกเออโมกคลาเห็นเปรตเราก็เห็นในวันที่เราตัดจะรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ที่โกลนต้นโพแต่เราไม่พูดถ้าเราพูดไปไม่มีสกีพยานกับทาให้พูดได้ยินได้ฟังนั้นเกิดความประมาทเอเหมือนกับพูดหลงหลงแรงแรงแต่นี่โมกคลาเห็น เ, เราก็เห็นเขาทํากรรมบาปกรรมพระสงฆ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าเขาทํากรรมอันไหนหนอพระเจ้าค่ะพระสงฆ์ทั้งหลายก็อยากจะรู้เะพระองค์บอกว่า ในศาสนาของในระหว่างพระพุทธเจ้าทั้งสององค์อยู่ในระหว่างคือในระหว่างพระพุทธเจ้าจะมาตรัสจะมีพระปัจเจกพุธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกกับพร้อมกับพวกลือศีสีพรยจะเกิดขึ้นในระหว่างแต่ถ้าว่ามีศาสนาของพระพุทธเจ้ายังอยู่พระปัิเจกจะไม่อุบัติขึ้นในโลกพระลือศีก็หมดอิทธิฤทธิไม่ได้สั่งสอนโลงดัง พุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ายัางอยู่แต่เมื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหมดไปในระหว่างนั้นแหะพระประเจกพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็พระฤาษีก็จะเกิดขึ้นมาแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนนี่แหละในระหว่างนั้นแหะพระประเจกอุบัติขึ้นในโลกเทนี้ก็พระประเจกท่านอยู่ในภูเขาตกหน้าฝนท่านก็เลยไปบินทาบาทอยู่ที่กรุง พาราณสีพี่น้องประชาชนเห็นพระประเจกพุทธเจ้าเกิดความครบนับถือเลื่อมใสกเ็เลยบอกึ่งที่ตรงนั้นเป็นทีละเมะอริมแม่น้ำดีพระเจ้าขาพระประเจกพุทธเจ้าพวกข้าองค์พวกเราจะไปทำกระทอกเป็นวัดเล็กๆ เ, เป็นที่พักพาอาศัยเป็นพี่บาเพ็ญพระประเจกคงจะโปรดพวกกระผมพระปฏเจกก็รับนิ่งนิ่งเราไปขรับโดยใน จากนั้นเขาก็ไปสร้างกุฏิเป็นที่สัปปายะถวายพระปัิเจกพุทธเจ้าจากนั้นเขาปฏิเจกพุทธเจ้ า, จามาบินธบาตในเมืองพารานสีทุกเช้าแต่ี้พวกพี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาในพระปฏิเจกพุทธเจ้าเขาก็เดินเดินไปส่งอาหารบ้างไปถวายปัจจัยสีบ้างไปกราบพระปฏิเจกพุทธเจ้าแต่ในมีในระหว่างทางมีท้องนาท่งนา ทุ่งหนึ่งมันกั้นอยู่ระหว่างวัดกับเมืองตอนนี้พอพระปเจกับเดินบิณทบาตแล้วก็ชาวบ้านก็ไปกราบแต่ชาวนาคนนั้นน่ะไม่เกิดศรัทธาเลไม่เกิดศรัทธาในพระปเจกอ้อทาไมเดินมาทุกวี่ทุกวันดูดูแลจะไม่ไปที่ไหนหน้า ง, ง่ายอขึ้นข้าหน้าที่ไรก็พวกนี้ก็มาเหยียบย่ําหมดพวกในเมืองเขาไม่รู้จักแล้วว่า การขึ้นขนาดขนาดไลยแต่ชาวนาเนี่โมโห โ, หโกธาในจิตในใจอยู่ตลอดอ้อถ้าว่าข่าไม่เผ า, เากุฏิศาลาของพระประเจกยพุทธเจ้าแล้วเรื่องนี้คงไม่จบง่ายละ่ะองค์จะช้าใจเราอยู่ตลอดอย่างนี้แหละเนี่ยแหละชาวนาคนนั้นเขาก็คิดทั้งที่เขาจะเกิดศรัทธาทั้งที่เขาจะเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเขาจะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะเขาคิดเป็นอีกแบบหนึ่งเนั่นแหละ คนเราเนะี่ยมันมันจะเป็นไปทางบาปเนะี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิที่พิจิตไปในทางบาปมนะันเป็นไปได้ไง่ายๆนะจากนั้นก่อโมโหสุดขีดขึ้นมาอาพระประเจิกพุทธเจ้าไปบินทบาทชายคนนี้ชาวนาคนนี้ก่อนเอาไฟไปเผากุฏิเผาศาล า, าพวกโอ่งน้ําตุ่มอะไรค้อนทบหมดไปว่าทําลายแหลกอะไรนะด้วยความโมโหของตอนเองจากนั้นพระประเจิก บินทบาทกลับมาแล้วท่านก็มาเห็นพอมาเห็นโอ้โ อ, โอคนมีคนอิจฉาเนี่ยพระประเจกก็เหาะเลยท่นเลยท่านก็ไปออกไปที่อื่นเลยพระประเจกท่านไม่เยื่อใยอะไรได้ท่านเป็นพระรหันได้ท่านตัดสรู้แลนะ้วเนี่ยเป็นพระประเจกท่านเหาะไปที่ไหนก็ได้ท่านคิดโอ้โหไม่ได้ก็เลยเหาะไปแต่ไอ้ชายชาวนาคนนั้นก็ง่วนอยู่ที่นั่นแหละท่านเลยเอา่าให้เข า, าดูผลงานของตอนเอง พวกชาวเมืองเขาก็เข้ามาเลยเข้าม า, าก็เห็นอ้าวทาไมสารถูกเผากุฏิถูกเผาตุ่มน้ําอะไรทุบกระจุยกระจายหมดทั้งชาวนาคนนั้นก็ยังโมโหไม่จบใช่ไหมเอ้ยผมนี่เองแหละจัดการมาอยู่ที่นี่เหยียบขนาผมอยู่ตลอดอพวกท่านทั้งหลายมาก็เหมือนกันะเหยียบที่ไล่ที่นาผมและตุ่มเป๊ะไปหมดไม่คิดถึงใจผมเลย ผมขึ้นคนาขึ้นมาแล้วก็นั่นมาเหยียบพวกชาวเมืองเขามากกว่าท่นี่อ้าวมันคนนี้เองทํำร้ายทำร้ายเพราะประเจกเอ้าวพวกเราจัดการกนะความโมโหมันก็มีใช่ไหมล่ะคนถึงจะปฏิบัติธรรมมันโมโหมันก็มีจับมาเลยกัคนหนึ่งจับแขนหนึ่งคนหนึ่งก็จับแขนหนึ่งไม่รู้ศอกไม่รู้เข่าเลยท่านนี่ไม่รู้กําปั้นฮะซัดพ่อนาชาวนาคนนั้นก็หมอบฮะช้าแล้วก็ตาย ชาวนั้นตายพอตายแล้วก็ไปตกอเวจีมหานรกเนี่ยพอเผาเผาสาลาเผากุฏิพระปฏิเจกพุทธเจ้ามันบาปหนักที่สุดเหนั้นนะจากนั้นพอผลจากนรกขึ้นมาก็มาเกิดเป็นเปรตเนี่ยไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเนี่ยสวยสุขเวทนานะยอันนี้แหละคือพระพุทธองค์พุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมกรรมคือการกระทำของชาวนาคนนั้นแต่ยังไม่พ้นยังอยู่น ยังไฟยังไหมอยู่กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละเรื่องทํากรรมของพวกเราถึงเราจะทําดีขนาดไหนพระพุทธเจ้า อ, อท่านมาได้ตัดสรู้ท่านได้ตัดสร้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ว่าเทวทัตผู้จองร่างจองผ่านผูกพยาบาทไว้ในอดีตมีอยู่ ถึงท่านจะทําความคุณงามความดีขนาดไหนแต่คนที่จองล้างจองผานผูกพยาบาทอาฆาตเนี่ยมันก็มีอยู่มันอยู่ในใจเพราะนั้นจะไม่ให้คนอิจฉาพยาบาทอาฆาตมันเป็นไปไม่ได้ว่ามันอยู่ในหัวใจเขาแต่สําหรับหัวใจพระพุทธเจ้าหรือ ว, ว่าพระไทยปิฎพระพุทธเจ้าน่ะท่านมีแต่เมตตามีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขทุกเวลาอเอ แต่พระเทวทัตก็รู้ว่าใจของพระพุทธเจ้านะี่ยไม่มีแม้แต่หน้อยเดียวที่จะมีอคติเรื่อว่ามีความอิจฉาแล้วว่าความออไม่พอใจโล้ อ, อิจฉาจะบังเบียดกลับอื่นไม่มีเมื่อพระเทวทัตรู้แก่ใจแต่ว่าตัวเองจะไงจะฆ่าพระพุทธเจ้าให้ได้เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแทนอะเอเขาไม่ได้คิดว่าบุญบารมีของใครของเรามันไม่ได้คิด นั่นแหะแต่ความอิจฉาตัวเนี้มันมืดมิดปิดตาของพระเทวทัตจนนู่นแผ่นดินจะสู่พระเทวทัตวรรสุดท้ายนั่นแผ่นดินสุกลงไปถึงคออจึงรู้ได้ว่าพระองค์ได้ทําสิ่งไหนขอพระองค์จงอาโอ้โหสิให้ข้าพระองค์ด้วยเทินข้าพระองค์ไม่มีสิ่งไหนที่จะคารวะมีแต่ค า, างท่านอาจะคารวะพระพุทธเจ้าขอพระองค์โอโหสิให้ข้าพระองค์ด้วยเถินะ นี่ยแะอันนี้คือเห็นโทษอยู่นะแต่ว่าก่อนหน้านี้ทีนี่พระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายหามเราไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยเถินข้าพเจ้าเห็นโทษเทวทัดป่วยหนักพระสงโอยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่อยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ครั้งติดขี้โหนลูอยู่แต่เมื่อถึงคราวนี้จะไปหามไปได้ยังไงไม่ไปไม่พาไปเทวทัดก็อ้อนดีว่าเออพระพุทธองค์นะ่ะ ท่านไม่มีท่านรู้เลยพระเทวทัตไม่ใช่ไม่รู้เพราะพระุทธองค์ไม่ไม่มีความอิจฉาพยาบาทท่านรักพราหมณ์อย่างไรท่านก็รักพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนอย่างนั้นนะคำว่าจะอิจฉาและความที่จะเบียดเบียนใครอื่นคนอื่นนะจัดอื่นนะไม่มีในพระไทยของพระพุทธเจา้าพวกท่านทั้งหลายพาเราไปกราบพระพุทธเจ้าเถิเถิดข้าพเจ้าจะสัมรวมระหว่างจะไม่ทําความชั่วเนะ อันนี้คือพระเทวทัตเห็นความป่วยเข้ามาเจ้ก่อนจึงยอมรับ น, ะนี่แหละหลวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายระลึลกถึงความตายคนตนเองไว้อยู่เสมอนะข้าอะไจะต้องตายแน่นะเอถึงยังไงยังมันจะอยู่ไม่นานแต่ถึงยังไงสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีพวกเราควรจะทําสิ่งนั้นให้มากที่สุดเอคิดถึงนั้นให้มากที่สุดทําสิ่งนั้นให้มากที่สุดพูดถึงนั้นให้มากที่สุด ให้เกิดประโยชน์พูดยังไงพูดให้มากพูดให้มากอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชัยจรณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิถูลพูดอยู่ทั้งวันให้พูดมากเออย่าไปพูดคุยจะ่าไปด่าคนนั้นด่าคนนั้นเอคุยกับคนนั้นคุยกับคนนั้นคุยคุยเนี้อันนั้นพูดมากอย่างนั้ไม่ดีถ้าจะพูดมากต้องพูดเนี่ยอิติปิโสภควาอารหังสัมมา เสวนาจะบาลานาังบันริตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังกรณียเมตสูตรสวดเข้าไปในละพูดให้มากๆเป็นประโยชน์ทําจิตใจของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนพูดมากอย่างนี้นะถ้าคนพูดมากไม่ดีอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนีเ้เดี๋ยวหาเรื่องคนนั้นมาพูดเดี๋ยวหาเรื่องคนนี้มาพูดเนี่ยแหละถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะไม่นานหล้วผิดที่ผิดทางเนะี่ยโดนเขาค้อนทุบอีกเหมือนกัน เพราะนั้นต้องจำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวาสินนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการศึกษานะตอนนี้ไปรับพรอนุอนมโมทนาให้พร